ถึงปีใหม่แล้วเราพร้อมจะเป็นคนใหม่ยังมันเริ่มจากความตั้งใ จ, จตั้งใจไปปีนี้จะต้องดีขึ้นต้องพัฒนาตัวเองขึ้นได้ถ้าเคยพัฒนามาแล้วปีนี้ก็ดีกว่าเก่าถ้าปีที่แล้วไม่ดีนะปีนี้ก็เริ่มดีซะพอมีความตั้งใจแล้วก็มีการกระทำอย่างที่ตั้งใจ ต้องฝึกบางทีพวกเราก็อ่อนแอว่าตั้งใจจะทำอะไรดีๆก็ถึงเวลาแล้วก็ท้อแท้ใจขี้เกียจทำผลัดเอาไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรืองคนที่ตั้งใจจะทำอะไรดีๆแล้วนะเด็ดเดี่ยวลงมือทำแล้วไม่ถอยเลยเรียกกัดติดมีบารมี เรอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีหมายถึงว่าเมื่อตั้งใจจะทำอะไรที่ดีแล้วนะไม่ยอมถอยลำบากแค่ไหนก็ไม่ถอยตัวนี้ตัวสำคัญพวกเรารุ่นหลังๆนะใจมันเสาะใจมันอ่อนไปมีความตั้งใจดีๆลงมือทำประเดี๋ยวเดียวก็เลิกแล้วหรือไม่ก็ผลัดมีข้ออ้างเยอะเวลาทำกรรมฐานมีข้ออ้างไหม ตั้งใจจะทํา ท, ทุกวันแต่วันนี้มีธุระอันนี้เอาไว้ก่อนบางคนปลัดนานนะพวกเด็กหนุ่มหนุ่มสาวสาวที่ปลัดเดี๋ยวอายุห้แล้วจะปฏิบัติอยู่มาจนห้แล้วก็ยังไม่ปฏิบัติอ่ะก็ปลัดไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ชาติหน้าค่อยทำํำเพราะเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวเมื่อตั้งใจแล้วต้องทําให้ได้ลําบากแค่ไหนก็ไม่ถอย หลวงพ่อนะฝึกตัวเองใช้ทนเอาอดทนไม่ได้ทีเนี้ยฉลาดผิดมนุษย์มนนาอะไรหรอกแต่ว่าทนมากกว่ามนุษย์ธรรมดาหน่อยยังภาวนาทำทุกวันไม่เลิกกรูบาอาจารย์ให้หายใจก็าหายใจไม่เลิกทำฝึกทุกวันตั้ง20กว่าปีก็ไม่เลิก22ปิปีไม่เห็นผลอะไรได้แต่ความสงบ ได้แต่ของเล่นก็ยังทำไม่เลิกมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิต ด, ดูไม่เลิกเป็นนิสัยที่ว่าทำอะไรแล้วกัดติดนะไม่ปล่อยตอนเข้าจุฬาใหม่ๆม่ไปฝึกเล่นกระบี่กระบี่มันมีท่าเบสิกอยู่ท่าหนึง่งท่าเบสิกเนยะต้องซ้อม หลวงพ่อเล่นท่าเบสิกอยู่นั่นแนหะคนอื่นเขาไปหลายขบวนท่าแล้วนะเราเล่นอยู่ท่าเดียวฝึกอยื่นั้นนะสู้กับใครก็สบายมาั้ยเขาไล่ลำสวยงามเราไม่ได้ไล่ลำเลยยื่นมือไปตีหัวมันเฉยเยไม่มีท่าอะไรเลยนะเห้นไม่มีอะไรเลยเองลำไปเหลืองไปเถอะตอนจะบวชหลวงพ่อน้ําหนักเยอะข้อเขาอะไรไม่แข็งแรง นั่งคุกเข่าไม่ค่อยไหวนั่งได้ไม่กี่วินาทีนั่งคุกเขา่าเวลาจะบวชนะต้องนั่งคุกเข่านานพอคิดจะบวชเนี่ยเริ่มซ้อมนั่งซ้อมถึงขนาดนี้นะคนอื่นเขาซ้อมขา น, น า, ขานขานั่งมันง่ายซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นแล้วจงซ้อมนั่งวันแรกได้สิวินาทีนะแล้วแข้งขาจะหักอีกวันนึงนะก็ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่อยๆฝึกไปจนถึงวันบวช พระนะท่านใจหายใจคว่าเลยกลัวเราจะกลิ้งตกอาสนะลงไปเล้ทนเอาแล้ไม่ว่าจะทำอะไรนะใช้ความอดทนเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรนะพยายามเขาไม่ถอยเวลาภาวนาเนี่ยไม่เคยถอยครูบาอาจารย์ไม่เคยต้องเตือนครั้งที่สองให้ขยันภาวนาไม่เคยมีเลยมีแต่อยากภาวนามีแต่ท่านคอยปลามว่าอย่าใจร้อน บางครั้งพาวนาไปแล้วก็ไปถามท่านว่าเอทำไมมันไม่พัฒนาสักทีมันไม่พ้นอวิชชาสักทีอะไรอย่างนี้ไปถามท่านก็บอกว่ามันเหมือนผลไม้นะต้องรอเวลาสุกงอมผลไม้เนี่ยใช่เวลาพอมันสุกงอ ม, มันหอมหวานอร่อยเราใจร้อนเราไปเก็บมาเร็วๆไม่อร่อยหรอกเอามาบ่มก็ไม่อร่อยท่านว่ายอย่างนี้ ให้พวกเราถ้าอยากได้ดีก็อดทนปฏิบัติให้ถูกหลักนะต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นก่อนพอรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นแล้วก็ปฏิบัติไม่เลิกเลยสู้ตายงั้นตั้งใจวางใจให้ดีปีใหม่ว่าปีใหม่นี้เราจะทาชีวิตเราให้ดีขึ้นทางทางโลกทางธรรมทำไมต้องทางทางโลกทางธรรมเรายาเป็นชาวโลกอยู่ หน้าที่การงานเราก็ต้องพยายามทำให้ดีนะมีปัญหาในครอบครัวต้องแก้คนอาภัพที่สุดเลยคนที่มีปัญหาในครอบครัวที่อื่นวุ่นวายยังไงนะกลับมาบ้านมีความสงบสุขนะมันยังมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังใจนี่พวกเราบางทีโง่เราไปดีกับคนอื่นนะแต่ว่าเราร้ายกับคนรอบๆตัวเรา คนรับๆตัวเราเนะี่ยเป็นคนที่เราต้องดูแลล้วเราดูแลให้ดีนะพยายามฝึกให้เขามีศีลมีธรรมให้เขามีคุณงามความดีขึ้นมาได้นะเราจะสบายล้วคนรับตัวเราเนะี่ยน่ากลัวมากๆนะบางคนบางคนทะเลาะ ก, กับเมียแค่เห็นเมียไปซื้อมีดมาเล่มหนึ่งก็นอนไม่หลับแล้วนะต้องหายามากินให้ตาค้าง <laughs> หาความสุขไม่ได้เลยโง่โงเนาะ งั้นเราจะใช้ชีวิตนะให้มันดีทางโลกในครอบครัวมีลูกก็ต้องดูลูกนะไม่ใช่มีลูกแล้วอุเบกขาไม่ใช่ธ ร, รมาผิดประเภทมีพ่อแม่ก็ต้องดูแลมีสามีมีพันยาก็ต้องดูแลเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทอดทิ้งไม่ได้สอนให้ทอดทิ้งนะเรามีหน้าที่ดูแลเราก็ดูแลกันช่วยกันยกระดับ จิตใจของคนรอบๆตัวเราขึ้นไปไม่ใช่ดูแลแต่ร่างกายส่วนสำคัญก็คือดูแลจิตใจให้ดีหน้าที่การงานไม่ขี้เกียจทำมาหากินแล้วดูทำไงจะมีรายได้ที่จะอยู่ได้ช่วยตัวเองได้ถ้ามีกำลังมากขึ้นก็ช่วยส่วนรวมช่วยสังคมได้ในทางจิตใจไม่ทอ้อถอย ต้องตั้งใจไว้เลยว่าชาตินี้ยังต่ำต้องเป็นพระโสดาบันยังต่ำนะถ้าสูงกว่านั้นถือว่าใช้ได้กำไรการเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้นว่าพระโสดาบันท่านเป็นยังไงท่านมีคุณสมบัติอะไรแล้วเราก็จเจริญ่อยในคุณสมบัติของท่านไปสะสมคุณสมบัติแบบนั้นขึ้นไปเรื่อย สวด บ, บัตรมีศีลห้าไม่ต้องศีลแปดแค่ศีลห้าก็เหลือเฟือแล้วพระสกทาคาก็มีศีลห้าธนาคารหรอกถึงเริ่มประพฤพรหมจรรย์อาจจะถือศีลห้าข้อนะแต่ว่าประพฤพรหมจรรย์ข้อสไม่ใช่กามเยเป็นอรรถมาริยากินข้าวเย็นก็ยังได้ถ้ามันเหนื่อยถ้ามันหิวไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเป็นโยมนะถ้าเป็นพระถึงเป็นพระประุถุชนก็กินข้าวเย็นไม่ได้คนละสถานะกัน พระโสดาบันมีศีลห้าตั้งใจรักษาศีลห้าไว้เอาคุณสมบัติของท่านพระโสดาบันท่านล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเราก็พยายามมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้ว่าจริงๆแล้วมันมีแต่รูปมีแต่นามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยๆไปใดวันหนึ่งก็เห็นความจริงอย่างเดียวกับท่านหรอก ท่านไม่งมงายไมป่ปฏิบัติธรรมแบบงมงายแล้วพวกเราทำอะไรที่นอกขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วคิดว่าจะทำให้บรรลุมรรคผลเร็วๆอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เหลวไหลอย่าพพุทเจ้าให้มีสติรู้รูปนามดูใจรักของรูปของนามอะไรเงี้ยเราไปทำอย่างอื่นนอกจากการดูใจรักของรูปของนามก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ไปคิดว่าไปใส่บาตรบ่อยๆแล้วอธิษฐานขอให้ได้มากผลนิพพานนิพพานนปัจจโยโ ห, โหตูอะไรเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้นิพพานใส่บาตร ไ, ได้ได้อะไรได้ความพอเพียงในใจสละได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ด้วยความโลภก็ไม่ได้สละจะกลายเป็นการลงทุนนะไม่ใช่การทําบุญอย่างถ้าเราใส่บาตรแล้วเราก็อธิษฐานขอโน้นขอนี่อันนั้นคือการลงทุนบางคนก็ลงทุนแบบฉลาด บางคนเขาลงทุนอย่างโง่มาใส่บาทแล้วขอให้หายเจ็บป่วยนี่ลงทุนแบบโง่ไม่เข้าเรื่องเลยไม่ไม่มีเหตุมีผลเลยแต่ถ้าเราทำเพื่อลดละกิเลสนะนีเรียกว่าทำถูกนะทาถูกถ้าทำเพื่อจะสะสมกิเลสไปเอาโน้นเอา น, า น, านี้ไม่ใช่หรอกนะหรือเราอดนอนเมื่อคืนอดนอน ส่วนมนุ์ข้ามปีหวังว่าจะดีส่วนมนข้ามปีหวังว่าใจเราปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะตั้งใจสวดมนต์สักคืนหนึ่งปีต่อไปเราจะตั้งใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปไอ้อย่างเนี้ยเข้าดาวอย่างนี้ค่อยสมกับการอดนอนหน่อยถ้าอดนอนสวดไปเรื่อยๆแล้วกะว่าปีใหม่เราจะเฮงเนี่ยโง่แท้ๆเลยไปนอนซะดีกว่าไม่ต้องตาแดงในตอนรุ่งเช้า ค, คือพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่งมงายท่านล้างความงมงายได้ท่านรู้ว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางทางก็คือศีลสมาธิปัญญาออกนอกจากเส้นทางของศีลของสมาธิของปัญญาแล้วไม่เอาท่านไม่มีสาร ะ, ะที่พึ่งอื่นนะนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านไม่มีอันนี้ ยังจะไม่ไปไหว้เทวดาแล้วหวังว่าเทวดาจะช่วยให้บรรลุมรรคผลนี่จะไม่ทำนะนเราต้องไม่งมงายมีชีวิตที่ฉลาดที่มีเหตุมีผลนี่เราดูคุณสมบัติของท่านท่านไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนัยเพวกเรายังลังเลได้นะแต่ตั้งใจไว้เราไม่คือภาษาโบราณภาษาจะฟังยากสำหรับคนเรายุคนี้ เรไม่มีบุญยกเขตนอกศาสนาพุทธฟังแล้วเหมือนไม่ทำบุญนอกศาสนาพุทธอันนั้นทำได้และทำเพื่อสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์นะจะทำให้ได้บรรลุมรรคผลเลยไม่ใช่หรือว่าคิดว่าเทวดาจะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลเร็วๆอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ทำเพื่อสงเคราะห์ โทษทำไมจะทำบุญกับคนศาสนาอื่นไม่ได้ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานยังได้บุญเลยทำบุญกับมิจฉาทิฏฐิก็ได้บุญทำบุญมากได้บุญมากก็ทำบุญกับสัมมาทิฏฐิเพื่อเขาจะได้มีแรงขยายสัมมาทิฏฐิให้มากขึ้นโลกจะได้สว่างขึ้นก็เป็นบุญที่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทำบุญกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเงี้ยไม่ได้บุญไม่ใช่ แต่ไม่สแสวงหาบุญยาเขตนอกศาสนาพุทธรู้ว่าเนื้อนามุญจริงๆเป็นยังไงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรานี้เองเราไม่เอาที่พึง่งที่อาศัยอะไรข้างนอกเนื่อถ้าเราดำรงตนดำรงชีวิตนะอยู่ในร่องรอยที่พระโสดาบันท่านเป็นหรือท่านทำท่านทำยังไงเราทำตามท่านท่านเป็นยังไงเราดูคุณสมบัติของท่านแล้วก็พยายามเอาอย่างท่านวันหนึ่งเราก็เหมือนท่าน สมัยพุทธกาลนะมันมีคนหนึ่งชื่อสุนัขัตต์ชวีเป็นตระกูลลิชวีทำไมเป็นชื่อสุนัขัตต์ก็มีพฤติกรรมแบบสุนัขคิดว่าถ้าทาตัวเหมือนหมาเนี่ยหมามันดูต่ำต้อยใช่ไหมทำตัวให้ต่ำไปเลยติดดินไปเลยเนี่ยลดละกิเลสมายึดถืออัตตาตัวตนคิดอย่างนี้งั้นทำอะไรทำแบบหมา จะกินข้าวก็คลานสี่เท้าเนาะไปงับงับงับงับแบบหมาจะกินน้ําก็เลียเอาอะไรเงี้ยนะทําอะไรแบบหมาแต่ไม่รู้ตอนฉี่ต้องยกขาข้างหนึ่งหรือเปล่านะ <c oughs> อาจจะทําก็ได้ <c oughs> แล้วก็มาถามพระที่เจ้านะว่าทําอย่างนี้จะพ้นไหมท่านบอกว่าตายไปก็ไปเป็นหมาแหละพอฝึกซ้อมความเป็นหมาจนชำนิชำนานละ่ะนะ <c oughs> เราฝึกของเรายัางไงเราจะเป็นอย่างนั้น งั้นเราดูคุณสมบัติถ้าโสดาบันท่านมีคุณสมบัติอะไรเราก็ดูคุณสมบัติท่านพยายามเอาอย่างท่านท่านไม่งมงายเราก็อย่าไป ง, งมงายท่านไม่แสวงหาบุญยเกศนอกศาสนาพุทธเราก็ไม่เอาค่อยๆฝึกเอาท่านมีศีลห้าเนี่ยท่านทําอะไรเราทํำท่านเว้นอะไรเราเว้นเอาอย่างนี้ แล้ววันหนึ่งเราก็ได้คุณสมบัติเต็มภูมิมาค่อยๆฝึกของเราไปพูดง่ายๆสิ่งที่ท่านทำนะคือรักษาศี่ห้าไว้แล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจคือสมาธิสมา ธ, สมาธิไม่ได้ฝึกให้สงบแต่สมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบงั้นเรามาฝึกให้จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ใจเป็นคนดูขึ้นมาให้ได้ รักษาศีลห้าแล้วทุกวันต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถนัดกรรมฐานอะไรก็ทําไปแต่ว่าทํากรรมฐานนะแล้วคอยรู้ทันจิตไว้หัดพุทโธก็รู้ทันจิตจิตไม่ตั้งมั่นคือไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งในความว่างๆอยู่ก็รู้ทันหัดรู้ลมหายใจจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันหัดดูท้องพองยุบไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทั น, จ, ท น, นะ จ, น, ทนจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจะเดินจงกรมก็ได้ เห็นร่างกายมันเดินไปพอจิตหนีไปคิดก็รู้ทันบางทีก็จิตไปจ้องเพ่งร่างกายเลยก็ให้รู้ทันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ฝึกอย่างนี้มากๆนะแล้วจะได้สมาธิที่ดีสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นมันก็ตรงข้ามกับการเคลื่อนไปไหลไปเท่านั้นเองถ้าไหลไปมันก็คลอนแคลนไม่ตั้งมั่นืางคนฝึกสมาธิหมุนหมุนนะยิ่งคลอนคลอนหนักขึใหญ่สะกดตัวเองไปได้่อยเคลิ้มเคลิ้ม <nous> <ällen> อะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนน่อย่าอุตริไปฝึกบางคนมาถามจะรำไทยเก๊กเนะี่ยรำายเก๊กแล้วก็ดูจิตได้ไหมไม่ได้นะมันศาสตร์อันนั้นก็ไม่ได้ทำไว้เพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวนะจะทาให้จิตใต้สำนึกออกมาอย่างน้นศะนะาสตร์บางศาสตร์ทำไปแล้วก็ทำอะไรนะแบบปล่อยเต็มที่นี่อิสระนะอิสระไม่ขาดสตินะ งั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ธรรมันนั้นอะไรที่ท่านไม่ได้แนะนําไว้ไม่ต้องไปคิดริเริ่มถ้าคิ ด, ดเริ่มเราก็สร้างขึ้นมาได้อันนั้นมันภูมิธรรมของพระพุทธเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้าหรอกที่หาทางได้ด้วยตัวเองนะภูมิปัญญาอย่างพวกเราต้องฟังว่าท่านสอนอะไรท่านสอนสมถะอะไรไว้บ้างก็ทําตามนั้นแหละท่านสอนวิปัสสนาอะไรไว้บ้างก็เอานั้นแหละ ไม่ต้องเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะเป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่เพี้ยนหนักขึ้นไปอีกเนี่ยใจให้มันแ น, วแ น, วแน่แนวแน่กับพระพุทธเจ้าไว้แน่วแน่แน่วแน่กับพทะเจ้าไม่ใช่ไปตั้งคิดถึงพระเจ้าทั้งวันนะนั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันจะไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานนะถ้าเห็นรูปนามแสดงใจรักนั่นแหละถึงจะไปนิพพานนะคนละเรื่องกันนะถ้าใจคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันเลยแล้วตายไปแล้วคิดว่าจะไปอยู่ในนิพพานไม่ไป นนี้ิพานนั้นเป็นนิมิตนะไม่ใช่นิพานจริงนิพานจริงไม่ได้มีรูปอย่างนั้นนี่เราต้องฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวโดยทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลแล้วรู้ทั น, ไ, รรทนไม่ห้ามจะไหลก็ได้ไม่ห้ามไหลถ้าห้ามไหลแล้วใจจะแน่นจะกลายเป็นเพ่งต้องไม่เผลอก็ไม่เพ่งถ้าเผลอไปก็ไหลไปถ้าเพ่งอยู่ก็บังคับตัวเองไว้ตึงเครียดนะ เส้นทางสายกลางคือไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้เผลอไปเป็นกามสุกิริการุโยคเพ่งไว้ก็บังคับตัวเองเป็นอัตตะกิรมัณฑนุโยคเป็นทางสุดตรงสองฝั่งไม่ให้ทําถือศีลหฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปเพ่งก็รู้เคลื่อนไปคิดก็รู้เผลอไปส่วนใหญ่ไปคิดนะรู้อย่างนี้แล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนา พอจิตใจตั้งมั่นแล้วเมื่อวานนี้มีคนถามมันรู้ตัวอยู่เฉยๆเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมเดินปัญญาก็มีนะถ้ารู้ตัวอยู่เฉยไม่ยอมเดินปัญญาให้ใช้ความคิดช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไปเลยถนัดกายนะพิจารณากายถนัดจิตพิจารณาจิตสอนมันไปเลยนะความอย่างถนัดกายก็ดูไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงเนาะ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ามให้เขาร่างกายที่อยใะเข้าก็ไม่ใช่คนไม่นช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่นขาร่างกายท่หาใจเข้า่ใช่คนไม่ใชว์ไม่ใช่เราไม่นช่เข่งกยู่หาุดออก้าก็ไม่ใช่คนไม่ใชัญญาได้ใช่เฟมันเห็นร่างกายพุ๊บมันจรู้สึกขึม่ใช่คนไม่ใช่ส้ตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายที่ายใจเ้า ใจว่างๆแล้วถนัดดูจิตนะก็คิดเรื่องความรู้สึกเออความรู้สึกสุขนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความรู้สึกสุขไม่ใช่คนไม่ใช่สัต์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาช่วยมันคิดพิจารณาความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกโลบโกรธลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัต์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าะไม่ใช่ตัวเราหรอกมันแสดงของมันได้เองมันเกิดแล้วมันก็หายไปมันไม่เที่ยงน้าอะไรเงี้ยสอนสอนมันอย่างเนี้ยกระตุ้น จิตที่มันติดล็อกติดนิ่งติดเฉยติดว่างไม่จะได้หลุดออกมาอย่าไปเอาว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตาสติปัฏฐานนะไม่มีไม่มีสุญญ า, านุปั ส, สนาสติปัฏฐานไม่มีมีแต่กายานุปั ส, สนาเวทนานุปั ส, สนาจิตตานุปั ส, สนาธรรมานุปั ส, สนามีสี่อย่างไม่มีสุญญาตานะนี่บางทีเราได้ยินธรรมะเราฟุ้งซ่านอะไรๆก็ไม่มีตัวกูของกูเอาความว่าง เอาความว่างก็ยังเกิดอีกนะเพราะอะไรยังเอาอยู่นะแต่ถ้าจิตมันเห็นความจริงของรูปนามมันวางรูปนามไปแล้วไม่ยึดถือรูปนามแล้วมันว่างมันว่างอีกแบบหนึ่งว่างไม่เหมือนกันไอ้ว่างตรงที่ไม่เอาอะไรไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะว่างมิจฉาทิฏฐินะไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานี่ไม่สมควรกับเราไอ้นั่นไม่สมควรกับเรานะอะไรๆก็ไม่มี นิดหก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนั่นเรียกว่านัตถิกะทิฐิเป็นวิชาทิฐิตะกูลหนึ่งเลยนะแต่ถ้าใจมันเห็นความจริงของรูปของนามแล้วมันว่างครั้นี้มันจะว่างจริงว่างไม่ใช่ว่างอาณาถานะว่างนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสงบมีสันติลักษณะเรียกสันติลักษณ ะ, น, น, ษณะนิพพานมีสันติลักษณะนะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงมีความสุขที่แท้จริงเนละ ไม่ใช่ว่างแบบคู่กับวุ่นวายถ้าว่างกับวุ่นยังคู่กันอยู่เนี่ยยังเป็นของคู่ไม่ใช่ของจริงงั้นเราค่อยดูนะรักษาศี่ห้าฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจไหลไปก็รู้ใจเพ่งอยู่ก็รู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปจะได้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานถ้ามันไม่ยอมดูกายทํางานดูใจทํางานรู้ตัวอยู่เฉยๆคิดพิจารณา ช่วยมันกระตุ้นมันก็ใช้หลักอย่างนี้นะอเอาตัวรอดได้ปีใหม่นี้ตั้งใจสู้ตายไหนๆก็ชีวิตเราก็สั้นลงเรื่อยๆแล้วนะทุกปีความตายใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วชีวิตนะ่มันเป็นของไม่แน่นอนเงันในท่ามกลางความไม่แน่นอนมาฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็ง ที่จะสู้กับความไม่แน่นอนของชีวิตให้ได้ตัวนี้ถ่างหากละคราสาคัญนะถ้าเรามีศีลนะจิตใจเร า, าเจะเข้มแข็งคนมีศีลจะเข้มแข็งนะได้ยินได้ฟังธรรมะมากๆกจิตใจเชื่อมั่นพรุทธเจ้าขึ้นมานะเชื่อในพระธรรมพระสงฆ์ก็เข้มแข็งนะมีสุตตะพระภูสุตตะใจก็กล้าหาญเข้มแข็งขึง้นมามีสติมากๆมีสมาธิฝึกไปฝึ ก, ก จ, จิตใจอยู่กับเน้กับตัวนะใจก็เข้มแข็ง ยิ่งจเจริญปัญญาได้นะยิ่งเข้มแข็งมากเลยงินปีใหม่เนี่ยเรามาฝึกตัวเองให้เข้มแข็งอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้ไม่หวั่นไหวจริงๆเราอยู่กับความไม่รู้เราไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนะกระทั่งเราจะได้ฉลองปีหน้าหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยใช่คนที่เรารักจะอยู่กับเราตลอดปีหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยมันอาจจะทิ้งเราในเดือนมกราหนี้ก็ได้นะเอาแน่ไม่ได้สักอย่าง อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่รู้จะเจ็บไข้เมื่อไหร่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะพลดาดพลาดกับสิ่งที่รักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เช่นเจอสงครามเจอโรคภัยไข้เจ็บเจอความโอดอยากอะไรเงี้ยเมื่อไหร่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เสมอนะชาวพุทธไม่งงงง่ายถึงขนาดจะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ชีวิตเรามั่นคงชาวพุทธนั้นฝึกความมั่นคงให้กับตัวเองนะฝึกจิตฝึกใจให้มั่นคงนะ แั้น ว, วันนี้ตั้งใจนะสมาทานศี่ห้าไว้ตั้งใจเราจะรักษาศี่ห้าจาเป็นจะตายอะไรก็ขอมีศีลห้าไว้ทุกวันเราจะตั้งปณิธานกับตัวเองจะต้องแบ่งเวลาปฏบบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอย่างน้อยวันละ15นาทนีเวลาปฏิบัติก็ไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็ทกํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจที่มันไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ฝึกอย่างนี้ใจจะอยู่กับเนื้อ ก, กับตัว แล้วเวลาที่เหลือเนี่ยแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจดูกายดูใจเป็นทํางานไปเรื่อยนะมีเวลาเมื่อไหร่ที่ไม่ต้องทํางานที่ต้องคิดนะ่ยก็ดูกายดูใจทํางานไม่ใช่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เล่นไลน์นะเล่น f เฟซบุ๊กไม่มาดูกายดูใจเมื่อไหร่จะได้ดูดูน้อยมันก็ไม่เก่งดูมากๆากมันก็เก่งเร็วเข้าใจเร็วความหมายเก่งคือมันเข้าใ จ, าใจถ้าเข้าใจเต็มภูมิแล้วนะมันวางมันจะวางลง ถ้าวางความยึดถือในกายในใจได้แล้วโอ้ยสุดยอดเลยนะเราไม่ต้องไปหาเทวดาที่ไหนมาช่วยเราหรอกเราจะกลายเป็นเทพเป็นเทพทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละเขาเรียกว่าวิสุทธิเทพนะเทพมีสามจำพวกพวกหนึ่งอุ ป, ปัติเทพเทพโดยการเกิดท่านสร้างคุณงามความดีของท่านมาตายไปท่านไปเป็นเทพนะเทพนี้รวมพรหมด้วยนะ เรียกว่าอุปัติเทพเทพโดยการเกิดเทพอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสมมุติเทพคือพระเจ้าแผ่นดินตั้งเป็นสมมุติเทพเมษายชดาใช่อะไรแบบเครื่องทรงแบบเทวดานะแล้วถ้าใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นมานะเรียกว่าวิสุทธิเทพนะวิสุทธิเทพเนะี่ยพวกเราขนาดเนี้ยเราไม่สามารถเป็นอุปัตติเทพได้เพราะเรามีอุปัติเป็นมนุษย์เราเป็นสมมุติเทพไม่ได้เราไม่ได้เกิดในราชวงศ์นะไม่มีโอกาสเลยนะ แต่เราเป็นวิสุธทธิเทพได้ถ้ายังเป็นไม่ได้ในปีนี้ก็ให้มันใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะถือศีลห้าไว้รักษาใจให้ตั้งมั่นนะคอยรู้ทันใจที่เคลื่อ น, อนนะใจมันจะตั้งมั่นแยกรูปแยกนามดูรูปนามแสดงใจรักเรื่อยไปวันไหนดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูร่างกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบพุทธโทธพุทธโทธไปหายใจไปจิตมีแรงขึ้นมามันก็กลับไปดูได้อีกเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะ แล้วเราจะประเมินผลตัวเองปีหน้าว่าเออมันดีวกว่าเก่าทั้งเยอะแน่นแต่อไปนี้ไปกินข้าวกินข้าวก็คือการปฏิบัตินะกินข้าวไม่ใช่การสนองกิเลส